สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตบทเรียนจากสุภาษิตในวันนี้ปรากฏอยู่ในบทที่25ครับข้อที่1จนถึงข้อที่10สุภาษิตบทที่25ข้อที่1ถึงข้อที่10โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าต่อไปนี้เป็นบรรดาสุภาษิตของโซโลมอนด้วยเหมือนกันซึ่งคนของเฮเซกิยากษัตริย์ยูดาได้คัดลอกไว้ ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการซ่อนสิ่งต่างๆไว้แต่ความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์คือการค้นสิ่งนั้นให้ปรากฏฟ้าสูงและแผ่นดินลึกทะชฉันใดพระไทยของพระราชาก็เหลือจะอย่างรู้ฉันนั้นจงไล่ขี้แร่ออกจากเงินแล้วจะมีวัสดุสำหรับช่างเงินจงไล่คนธรรมออกไปเสียจากพระพักพระราชาแล้วพระที่นั่งของพระองค์จะสถาปนาไว้ด้วยความชอบธรรม อย่ายกย่องตัวเองเฉพาะพระพักรพระราชาและอย่ายืนอยู่ในที่ของคนใหญ่คนโตเพราะให้เขากล่าวกับเจ้าว่าเชิญขึ้นมาที่นี่ก็ดีกว่าถูกไล่ลงไปที่ต่ำต่อหน้าเจ้านายสิ่งที่ดวงตาของเจ้าเห็นอย่าดวนนำเข้ามาอย่างโรงสารมิฉะนั้นในที่สุดเจ้าจะทำอย่างไรหากเพื่อนบ้านของเจ้าทาให้เจ้าขายหน้าจงถกเรื่องของเจ้ากับเพื่อนบ้าน และอย่าเผยความลับของอีกฝ่ายหนึ่งเกรงว่าผู้ที่ได้ยินจะประนามเจ้าและเจ้าจะเสียชื่อตลอดไปพี่น้องครับสุภาษิตของโซโลมอน10ข้อนะครับนี้ในวันนี้ก็รวบรวมโดยเฮเซกียาครับแท้จริงตั้งแต่บทที่25จสจนบทที่29นะครับถูกรวบรวมโดยอารักษ์หลวงหรือบรรดานักวิชาการในสมัยของกษัตริย์เฮเซกียา เราทราบดีนะครับว่ากษัตริย์เฮเซกิยานั้นเป็นกษัตริย์ของยูดาหที่รักพระเจ้ามากครับและเขาก็ได้รับการดูแลของพระเจ้าจากพระเจ้าทำให้แผ่นดินอิสราเอลนั้นก็กลับมาสู่ความถูกต้องในการนมัสการพระเจ้าในการที่เขากลับใจใหม่พี่น้องครับประวจนะของพระเจ้านั้นได้ถูกบันทึกถูกถ่ายทอดมาเป็นเวลานา น, านหลายพันปี ได้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่จะต้องระมัดระวังตัวในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อที่ 1- ถึงข้อที่10นี้ก็พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับกษัตริย์ครับเกี่ยวกับนักปกครองและท่าทีที่เราจะต้องตอบสนองต่อผู้บังคับบัญชากษัตริย์นักปกครองที่อยู่เหนือเราพระกัมพีเริ่มต้นในข้อที่2บอกว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นคือการซ่อนสิ่งต่างๆไว้ แต่ความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์คือการค้นสิ่งนั้นให้ปรากฏเราจะเห็นว่าใครก็ตามที่เป็นกษัตริย์นั้นความยิ่งใหญ่ของเขาก็คือเขาจะต้องรู้เรื่องราวต่างๆมีความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาพอสมควรครับอยู่ในระดับที่สามารถปกครองคนอื่นได้ชั้นใดชั้นนั้นครับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือพระองค์มีบางสิ่งบางอย่างเก็บไว้ ให้กับกษัตริย์ให้เขาค้นพบคำว่า discover นั้นก็คือพระเจ้านั้นได้ปกปิดอะไรบางอย่างไว้แต่คนที่มีความรู้คนที่มีอำนาจเขาก็ได้เปิดเผยสำแดงมันออกมาในข้อที่สครับฟ้าสูงและแผ่นดินลึกชั้นใดพระไทยของพระเจ้าก็เหลือจะอย่างรู้ชั้นนั้นตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องรู้ว่า กษัตริย์นั้นมีความปีติยินดีในการค้นคว้าสิ่งที่พระเจ้าซ่อนในขณะเดียวกันครับเมื่อพระเจ้าซ่อนความรู้บางอย่างจากกษัตริย์กษัตริย์ก็จะซ่อนความรู้บางอย่างจากข้าราชบริพารของพระองค์อย่างนั้นเองนะครับผู้ปกครองจึงมีความรับผิดชอบที่จะรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นและพินิจพิจารณาพิเคราะห์ค้นคว้าเรื่องต่างๆอย่างครบถ้วน และอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องเปิดเผยทุกสิ่งที่เขารู้ให้กับคนอื่นนั่นหมายความว่าเขาจะต้องฉลาดพอในการที่จะพูดในการที่จะถ่ายทอดในการที่จะสื่อสารเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดไม่ให้เกิดความจริงที่ทําให้คนบาดหมางกันต่อไปเป็นข้อ4ีและข้อ5ครับข้อ4ีและ5าบอกว่าจงไล่ขี้ แร่ออกจากเงินและจะมีวัสดุสำหรับช่างเงินงไล่คนอธรรมออกไปเสียจากพระพักพระราชาแล้วพระที่นั่งของพระองค์จะสารปนาไว้ด้วยความชอบธรรมเช่นเดียวกันครับขี้ตะ ก, กันหรือขี้แร่จะต้องถูกเอาออกจากแร่เงินหลอมแล้วก็ควักเอาขี้แร่ออกครับคนชั่วนั้นก็เหมือนกับเป็นขี้แร่ที่ควรจะต้องเอาออกจากพระพักของกษัตริย์ การกำจัดข้าราชการที่ชั่วร้ายที่คดโกงคอร์รัปชันจะช่วยให้แผ่นดินสามารถที่จะอยู่ยั่งยืนยงจะช่วยให้กษัตริย์สามารถปกครองได้อย่างชอบธรรมครับในข้อที่5ได้กล่าวว่าการไล่คนธรรมออกไปนะครับก็จะทําให้พระที่นั่งของโปรงสถาปนาไว้ด้วยความชอบธรรมกษัตริย์นั้นจะชอบธรรมก็ต้องมีข้าราชบริพารคนที่ถวายการรับใช้ที่ซื่อสัตย์ด้วยเช่นเดียวกัน ในข้อที่6กและข้อที่เครับเราเห็นว่าเป็นการผิดสําหรับใครก็ตามที่พยายามเลื่อนฐานะตัวเองขึ้นมานะครับการยกตัวเองนะครับและนึกว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่ในขณะที่เขาไม่ได้เป็นครับนี่เป็นสิ่งที่น่าขายหน้าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าครับที่จะให้กษัตริย์เป็นผู้ที่เลื่อนขั้นเรามากกว่าที่จะให้กษัตริย์หรือผู้หลักผู้ใหญ่เรียกเรา ยกเราดีกว่าด้วยเหตุนี้เองครับทําให้เราจะต้องอยู่ในบริบทของการท่มใจการรู้จักตัวเองการรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นใครการที่เราจะต้องลดตัวเองลงและให้พระเจ้ายิ่งใหญ่ขึ้นพี่น้องครับในพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูก็เป็นตัวอย่างนะครับอุปมาของพระองค์ที่จะต้องระวังครับที่จะต้องไม่ยกตัวเองที่จะต้องไม่มี กิจใจที่หยิ่งยะโสโอหังฉะนั้นในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เจนะครับที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเราเห็นว่านี่คือการปฏิบัติตัวของกษัตริย์และบรรดาข้าราชบริพารทั้งหลายและรวมถึงพวกเราด้วยซึ่งเป็นข้าราชบริพารหรือพระสนิกรของกษัตริย์เราจะต้องรู้จักวางตัวใครก็ตามที่เป็นนักปกครองใครก็ตามที่เป็นผู้บังคับบัญชาก็ต้องรู้จักวางตัวเองให้อยู่ใน สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีงามในขณะที่พวกเราบางคนเป็นลูกน้องเราก็ต้องวางตัวเองให้อยู่ในสภาพหรือในชีวิตที่ถูกต้องชอบทำเช่นเดียวกันครับสุดท้ายเรามาถึงข้อที่8 9 0ข้อที่890้นั้นได้บอกว่าสิ่งที่ดวงตาของเจ้าเห็นนั้นอย่าด่วนนำมาอย่างลงสารมิเชนั้นในที่สุดเจ้าจะทาไงหากเพื่อนบ้านของเจ้า ทำให้เจ้าขายหน้าจงถกเรื่องของเจ้ากับเพื่อนบ้านและอย่าเผยความลับของอีกฝ่ายหนึ่งเกรงว่าผู้ที่ได้ยินจะประนามเจ้าและเจ้าจะเสียชื่อตลอดไปพี่านีครับตั้งแต่ข้อที่8ถึงข้อที่10เราจะเห็นว่าพระกัมพีนั้นกำลังตักเตือนไม่ให้เรารีบนำความขึ้นศาลพูดง่ายๆก็คือว่าอย่าเป็นคนขี้ฟ้องครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอาจจะพ่ายแพ้คดีได้และได้รับความอับอาย เนื่องจากสิ่งที่เราเห็นนั้นเราอาจจะคิดว่าเป็นความจริงแต่จริงๆแล้วเรามโนโขึ้นมาเองเราอาจจะไม่รู้ว่าความจริงนั้นเป็นยังไงความจริงอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนกับที่เราพูดก็เป็นได้ในข้อที่เก้และข้อทีนสนั้บอกว่าการจัดเตรียมพยานหลักฐานเพื่อฟ้องเพื่อนบ้านในศาลนั้น <shaping. S 1> ก็เปลี่ยนเหมือนกับการที่เราเผยความลับของเพื่อนบ้านของเรา พี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนครับเพราะว่าคําว่าเพื่อนบ้านกับคําว่าความลับในการเป็นเพื่อนบ้านนั้นเราจะรู้ความลับของอีกฝ่ายหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้ความลับของเราเวลาที่เราคิดว่าเราจะฟ้องร้องเพื่อนบ้านของเรานั่นหมายความว่าเราเองนั้นกําลังยุ่งอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ์แล้วละครับกําลังดิวอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ์และเมื่อเรา คิดถึงเรื่องของเพื่อนบ้านคิดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เพียงครับจะต้องชั่งน้ําหนักให้ดีครับว่าเราควรจะฟ้องเพื่อนบ้านของเราหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะต้องพูดคุยกับเขาเจราจากับเขาและให้เกิดทางออกและให้เกิดการปรินปานอมเห็นอกเห็นใจกันเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเราฟ้องเขาเขาก็จะฟ้องเราและเขาจะเปิดเผยความลับของเราและด้วยเหตุนี้ครับ อาจจะทําให้เราเสียหายและเสียชื่อเสียงได้สุภาษิตนี้แนะนําให้เรายุดตีความขัดแย้งนอกศาลครับสําหรับเพื่อนบ้านสําหรับคนรู้จักกันอย่าเอาชนะค่าการกันอย่างเอาเป็นเอาตายครับเราควรที่จะหันหน้ากลับมาคุยกันหันหน้ากลับมาประนีประนอมกันหันหน้ากลับมาหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายนั้นมีความพอใจขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะใช้ความรัก อยู่เหนือสิ่งทั้งปวงและเพื่อให้ความรักของพระเจ้านั้นทำให้เราเกิดการยกโทษให้อภัยกันได้อเมน